อ่ะคุณสรัญญามาก่อนเชิญหาเราทำกันบ้านหรือเปล่าเราตื่นเราะก็ทำอะไรแปลกๆแล้วสติเกิดไหมต้องทำอะไรล่ะที่แปลกๆให้รู้ทันนะมันชอบแกล้งปฏิบัติก็มีบางทีทาเป็นแจ้งปล่อยบ้างแล้งอะไรบ้ย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 จำได้แม่นเงั้นเรียนปฏิบัติธรรมนะเรียนหัดรู้จักสภาวะไปสภาวะของรูปของนามเรียนเรื่องพวกนี้แหละรูปธรรมดูยากนะกว่าจะเห็นสภาวะของรูปนี่ยากมากเลยพวกเราชํานึกกันเอาเองว่าดูกายง่ายดูกายหนังง่ายแต่กว่าจะทะลุจากกายเข้าไปเห็นรูปนี่ยากนะอย่างเราดู มือดูเท้าดูท้องดูลมหายใจอะไรนี่อันนี้ไม่ใช่รูปยังไม่ใช่ตัวรูปแท้ๆยังเห็นมือใช่ไหมมือไม่ใช่รูปเข้าใจยากนิดหนึ่งตัวรูปควรจะเห็นรูปได้ดีเนี่ยต้องทำสมาธิอ่งครูบาอาจารย์ตามมัดป่าเนี่ยไม่ทิ้งสมาธิถ้าทิ้งสมาธิเห็นรูปไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่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 ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นวนะ่าร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดนะเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีชื่อเรียกด้วยอันนี้ผมคนเล็บปันหนังอะไรนี่นนสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยในะรูปจริงๆดูยากนามธรรมาดูง่ายนะนามธรรมาอย่างความรู้สึกทั้งหลายใครๆก็รู้จักความโลภความโกรธความหลงใครๆก็รู้จัก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 เราจะปฏิบัติได้เยอะมากเลยอย่างถ้าหัดรู้จักแค่ราคะโทสะอะไรเงีะเนะี่ยนานๆเกิดทีหนึ่งนะแต่ความหลงความเผลอนี่เกิดตลอดเวลาเล ย, ยถ้าจับเอาทรงความเผลอความหลงได้นะเราจะปฏิบัติได้ทั้งวันสติจะเกิดถียิบขึ้นมาพรนะาะราคะโทสะอะไรพวกนั้นก็เป็นลูกของความหลงอีกทีหนึ่งความเผลอค่อยๆหัดรู้จักสภาวะนะ เราไปพอใจเราเผลอไปอย่างสมหันรู้จักความเผลอพอใจเราเผลอไปแั๊บเนี่ยสติจะระลึกขึ้นได้เองว่าเผลอไปแล้วสติทําหน้าที่ระลึกนะสติไม่ได้ทําหน้าที่กําหนดสติทําหน้าที่ระลึกนะสติแปลว่าความระลึกได้มีลักษณะก็คือความไม่เลื่อนลอยนะใจของเราชอบเลื่อนลอยลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจ เ, เรียกว่าขาดสติสติมีลักษณะไม่เลื่อนลอย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 เรียนอย่างเดียวเลยถ้ามาหาหลวงพ่อนะเรียนเรื่องเดียวหัดรู้จักสภาวะต่างๆไปนะเช่นใจลอยไปเมือไปคิดไปนะไปเพ่งเอาไว้นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกดหลงนะเกิดสภาวะต่างๆไปหัดรู้ไปเรื่อยๆพนะหัดรู้สภาวะได้ต่อไปสติจะเกิดใหม่ๆเรารู้จักสภาวะไม่กี่อย่างนะสติก็เกิดน้อยหน่อยไปพอรู้จักสภาวะเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้จักได้แม่นยําขึ้นสติจะเกิดเร็ว อย่างสมมติว่าเราหัดรู้จักโทสะรู้จักความโกรธใหม่ๆต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้ตัวว่าโกรธหัดไปเรื่อยๆขัดใจเล็กๆก็เห็นล้วีความโกรธเหมือนกันขัดใจเล็กๆพอเริ่มขัดใจนิดนึงก็มองเห็นแล้สติเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่เรียนเถี่ยวหลวงพ่อไม่มีอะไรมากนะหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆจนกระทั่งสติมันเกิด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 จิตใจสงบมันก็ดีเหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่ดีดีกว่าฟุ้งซ่านนะส่วนใจญ่พอสงบแล้วติดอยู่กับความสงบแล้วชาตินี้ไม่เอาอย่างอื่นแล้วนอกจากความสงบพ้นทุกข์เพราะความสงบนะมันก็พ้นเหมือนกันนะเป็นพ้นแบบสีแบบพระพมุมนะทำใจสงบนิ่งๆนะพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้านะพ้นด้วยสีสมาธิปัญญาเลยนะเป็นลำดับลาดับไปก็นะไม่ได้ปฏิเสธสมาธินะ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 อย่างคุณหมอรู้สึกไหมเวลาสติจะเกิดก็เกิดขึ้นเองของคุณรู้สึกได้แล้วเวลาสติมันจะปุดขึ้นมาก็เกิดขึ้นเองสภาวะอะไรปุดขึ้นมามันก็เห็นของมันเองโดยไม่ได้เจตนาของคุณก็พอจะเห็นได้แล้วมันจะเริ่มเกิดขึ้นเองแหละถ้ายังจงใจบังคับจะให้เกิดยังทําให้เกิดนะยังไม่ใช่ของแท้เราแต่ทำไงสติจะเกิดได้เอง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 เผลที่เกิดบ่อยที่สุดคือเผลอไปคิดหนะลวงพ่อเทียนเลยไปจับเอาตงคิดนี่แหละนะถ้าไม่หลงคิดสักอย่างเดียวนะแทบจะไม่เผลออื่นละเพราะฉั้นะท่านจะเน้นตรงที่หลงคิดนะท่านอาจารย์คำเขียนให้เรียกลักคิดลองเผลอทางตาสังเกตดูเวลาเราไปมองอะไรนะเราจะเห็นสิ่งนั้นแล้วเราจะลืมตัวเราเองนะลอ ง, ลองช่วยกันดูพระพุทธรูปก็ได้นะตั้งใจดู ดูแต่ละองค์หน้าตาไม่เหมือนกันนะสังเกตไหมตอนที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจดูพระเราจะลืมกายลืมใจตัวเราเองนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะลืมตัวเราเองทั้งวันเลยแค่ไปดูเราก็หลงละลืมตัวเองะเราไปฟังเสียงเราก็ลืมตัวเองนะลองทดลองดูทดลองดูนะลองฟังเสียงนกนูที่นี่มีนกหลายอย่างเราฟังแล้วลองนับดูว่ามีนกกี่อย่าง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 วันหนึง่งจิตเราเป็นอกุศลมากเหลือเกินอกุศลที่มากที่สุดคือหลงไปนะั่นเองลืมกายลืมใจตัวเองเพราะส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นสัตว์ในระฉาแก้วตายไปสังเกต น, นะคนมีน้อยนะสัตว์มียอะนะสัตว์อยู่กันฝูงใหญ่ๆอยู่ทีละแสนตัวล้านตัวก็ได้นะคนมีน้อยส่วนมากจิตมันจะมีโมหะเยอะหลงเยอะต้องค่อยๆฝึกไป ค่อยๆรู้ไปเรียนกับหลวงพ่อไม่มีอะไรมากไม่ต้องคิดมากนะค่อยหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆนะอย่าคุณผู้หญิงเมื่อกี้รู้สึกไหมกิมลืมไปนะลืมตัวเองไปเนี่ยใจลอยแวบไปทราบไหมใจมันหนีไปแล้วมันลืมตัวเองนะหนีไปคิดส่วนใหญ่คือหนีไปคิดขณะที่หนีไปคิดจะรู้รู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างนะบางทีนั่งคิดอะไรมาชั่วโมงยังไม่รู้เลยบางทีคิดก็รู้เรื่องที่คิด แต่ว่าลืมตัวเองนี่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนั้นได้ต้นทางของการปฏิบัติเขารู้ว่าจิตคิดนี่ได้ต้นทางเพราะว่ามันจะตื่นขึ้นมามันจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อหลุดออกจากโลกของความคิดนะมาอยู่ในโลกของความจริงเราจะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเราเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่เราจะลืมกายลืมใจหลวงพ่อเทียนเลยสอนสอนดีสอนน่าฟังบอกว่า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 รู้ว่าจิตมีอาการคิดเยถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยลืมตัวเองล้วเห็นไหมไม่รู้ว่าจิตคิดนะรู้แต่เรื่องที่มันคิดมันเลยหนีไปเนี่ยหลงไปอย่างเนี้ยอย่าบังคับตัวเองนะบังคับตัวเองก็ใช้ไม่ได้นะหลงไปเผลอไปเนี่ยศัตรูไมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติ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 ถัดไปนันก็นั่งคิดไปเรื่อยๆรู้สึกไหมนะรู้สึกไปเนะมื่อกี้ทำอะไรคุณเสื้อขาวเนี้ยเมื่อกี้ทำอะไรก่อนที่หลวงพ่อจะพูดด้วยเนี้ยมันลืมตัวเองนะมันหลงไปคิดทีเนี้ยหลงไปคิดนะจริงง่ายง่ายเนี่ยคุณเสื้อเหลืองลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมนะหัดรู้สึกตัวนะหันรู้สึกตัวไป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 พนทุกข์เราะไม่ยึดถือไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะบังคับได้งั้นแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่พอลงมือปฏิบัติเราก็บังคับเลยเพราะว่าตลอดเส้นทางในสังสารวัตรเนี้ยนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งนานๆจะมีคําสอนเรื่องวิปัสสนาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่เราจะฝึกเพ่งกันมาตลอดนะหรือสีชีพไรหรือการทําสมถะเนี้ไม่ขาดไปจากโลกนะมีมาตลอด ในศาสนาอื่นเขาก็มีนะอย่างศาสนาคริสต์เขาก็มีนะนับลูก ป, ประคำอะไรเงี้ยหรือการที่เขาไปร้องเพลงนะในโบสถ์จิตใจเขาสงบนี่ก็คือหลักของสมถะเหมือนกันนะทางอิสลามก็มีละหมาดวันละห้าครั้งส่วนมนต์วันละห้าครั้งชาพุ้นเราสักครั้งหนึ่งยังไม่ค่อยยอมเลยนะอย่าแพ้เขานะของเขาดีเราก็เอาอย่างเขาได้เขาคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งนะ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 ไปเกิดปีติขึ้นมานะตัวลอยตัวโครงนั่งอยู่ตัวใหญ่ขึ้นมานะตัวหนักหนักขึ้นมาตัวลอยๆอยขึ้นมาตัวเบาตัวโครงโครงขนลุกสู้ซาสัานะ้นรู้สึกเหมือนฟ้าแลบปั๊บแลบป๊บแลในความรู้สึกนี่เรื่องของสมถะทั้งหมดเลยเป็นอาการของปีติทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นกระทั่งคนที่บอกว่าไม่ทําสมถนะนั่นแหละส่วนใหญ่ติดสมถนะเหมือนเหมือนกันหมดนะพวกเรานะักปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดสมถะ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 ใจนิ่งๆเราก็บอกปฏิบัติดีดีเหมือนกันนะแต่ดีแบบพรมแบบอือสีฝึกบังคับตัวเองไปเรื่อยๆบางคนดูแต่รูปนะดูแต่รูปไม่สนใจจิตใจเลยบา เ, เอารูปอันเดียวแล้วเพ่งอยู่ที่รูปเช่นจะขยับมือเนี่ยจะไปหยิบขวดน้ำนนะจะเพ่งอยู่ที่มือยจนไม่คิดอะไรเลยนะใจจ่ออยู่ที่มือนิ่งนี่ก็คือการเพ่งรูปการเพ่งรูปก็คือรูปประชาร น, นั่นเองทาให้เกิดรูปประชาร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 แต่มีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนงนั้นฝึกรู้กายฝึกรู้ใจไปปัญญาเกิดเนี่จะเห็นเลยไม่มีตัวมีตนถ้าเห็นถูกต้องอย่างนี้ก็ได้ทัศนบัตพอรู้ว่าไม่มีตัวมีตนนะค่อยรู้ค่อยดูต่อไปนะนจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์แล้วทุกไปเรื่อยๆนะอย่างแต่เดิมเราก็เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่าลึกว่าเข้าใจคาสอนพระพุทธเจ้านะ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 พั้นการที่เรารู้กายรู้ใจจะเห็นทุกข์แจ่มแจ้งแล้วรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆรู้ทุกข์แจ่มแจ้งความดิ้นรนของจิตที่จะหาความสุขดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์นี่จะหมดอัตโนมัติเลยความดิ้นรนของจิตที่จะหาความสุขที่จะหนีความทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองคือตัวสมุทัยทําให้จิตดิ้นรนตรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติต่อไปเรื่อยๆเพราะะฉนั้นถ้าเรารู้กายรู้ใจจึงเข้าใจแจ่มแจ้งเลยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติ ปัญหาจะหมดไปเองไม่ต้องอ้อนวอนให้หมดไม่ต้องบังคับให้หมดนะทุกวันนี้เราจะฝึกปฏิบัติเราต้องคอยควบคุมคอยบังคับนะถ้าเรารู้กายรู้ใจอย่างแท้จริงเนะี่ยมันทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี ม, มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะมันจะหมดแรงดิ้นรนหาความสุขหมดแรงดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์มันรู้ว่าหนีไม่ได้นะจะปล่อยทิ้งเลยเพราะมันไม่มีทางเลือกมันจะปล่อยทิ้ ง, นะ ง, งพรอจิตใจมันหมดความ ด, ดิ้นรนหมดความพยายานอยากหมดปัญหาเนี่ยนะเรียกว่านิโรธหรือนิพพานนั่นเอง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 เมื่อไหรใจเราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงหมดความอยากหมดความยึดถือในกายในใจตัวเองได้นะเราจะเข้าถึงสันติสุขจะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ไม่ใช่ต้องรอให้ตายแล้วไปเจอนะความสุขนี้เต็มเปี่ยมอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละแต่ธาตุขันนี้ก็ทุกของมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสืบต่อไปจกนกระทั่งหมดเหตุของมันหมดอายุไขาตายไปเพราะงการที่เรารู้ทุกคือรู้กายรู้ใจของตัวเอง รู้มากเข้ามากเข้าละสมุทยัยละความอยากคว า, ความยึดได้นะคิดเข้าถึงนิพพานเข้าถึงสันติสุขการรู้ทุกข์จนกระทั่งเกิดสันติสุขนี้แหลนะเรียกว่ามรรคงนั้นมรรคที่เราต้องเจริญก็คือการรู้ทุกข์คือการรู้กายรู้ใจตนเองเราจะรู้กายรู้ใจตนเองได้ถ้าเรามีสติส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะหลงไปสองอย่างหลงไปคิดเอาหลงตามอารมณ์ไปกับหลงบังคับตัวเองไว้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 เนี่ยการที่จิตจําสภาวะทําได้แม่นยำนั่นแหละทำให้สติเกิดนะถ้าโกรธขึ้นมาะระลึกได้ว่าโกรธนะสติก็เกิดนะรู้สภาวะถ้าขยับเห็นรูปมปันเคลื่อนไหวปับ๊บสติก็เกิดนะรู้ร่างกายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้นะถ้ารู้สุขต้องสติก็เกิดอันเดียวกันสมาธิก็อย่างเดียวกันปัญญาก็เข้าใจอันเดียวกันเข้าใจใส่รักปล่อยวางก็อย่างเดียวกันนะงั้นเบื้องต้นแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไร พอให้เดินไปจนสติเกิดก็แล้วกันพอสติเกิดนะจะไม่ไม่มีปัญหาแล้วว่าสายไหนสายกายสายจิตสายโน้นาสายนี้ไม่มีล้อันนั้นสายหลอกหลอกหลอกเป็นะแค่จุดสั้งส้นที่แตกต่างกันตามจริตนิสยัยนะอย่างเราฝึกพองยุบไปจนสติเกิดนะกับคนฝึกหายใจมาแล้วสติเกิดคนดูจิตแล้วสติเกิดนะสติก็เหมือนกันนั่นแหละพอสติเกิดขึ้นมาเนี่ยสติไปะระลึกรู้กายบ้างะระลึกรู้ใจบ้างเลือกไม่ได้แล้วนะ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 งงรู้ว่ากําลังงงอยู่นี่แหละกําลังปฏิบัติอยู่แหละนะงั้นหัดรู้สึกไปเมื่อสองปีก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยนะบอกไปฟังหมาข้างบ้านเหา่าแทนกลางนะคืนจะนอนแล้วหมามันเห่าไม่เลิกนะโมโหนะโมโหรู้นะ ว, นะว่าโมโหนะปฏิบัติเนี่ยทำอย่างนี้นะง่ายจะตายไปนะคอยรู้สภาวะที่กําลังปรากฏ ข, ขึ้นมาโดยเฉพาะพวกเราพวกปัจจชนเนี่ย นะควรจะดูจิตใจของตัวเองนะพวกพวกคิดมากนะให้ดูจิตเขาเรียกว่าพวกคิดจิจริตพวกคิดมากควรจะดูจิตนะพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะดูกายนะแต่การดูกายต้องทำสมาธิ